เรื่องเศร้ามองอยังหยาบของทองมีอยู่คือดินร่วนคนกรวดทรายและกระเบื้องคนล้างฝุ่นหรือลกมือของคนล้างฝุ่นย่อมเมรียร่ายทองนั้นลงไปในรางน้ำแล้วล้างล้างแล้ ว, ล, ว, ล, วล้างอีก ล้างจนหมดเมื่อล้างเครื่องเศร้าหมองอย่างหยาบหมดแล้วทําให้มันสิ้นสุดแล้วตอนนั้นก็ยังคงมีเครื่องเศร้ามองอย่างกลางคือก้อนกรวดอย่างละเอียดและทรายอย่างหยาบขนล้างฝุ่นหรือลูกมือของขนล้างฝุ่น ย่อมล้างตอ่งนั้นล้างแล้วล้างอีกล้างจนหมดเมื่อล้างเรื่องเจ้าอหมองอย่างกลางหมดแล้วทำให้มันสิ้นสุดแล้วตอน่นั้นก็ยังคงมีเรื่องเจ้าอหมองอย่างละเอียดคือทรายอย่างละเอียดและสะเก็ดกระลำพัก คนล้างฝุ่นหรือมือของคนล้างฝุ่นก็ย่อมล้างทองนั้นล้างแล้วล้างอีกล้างจนหมดเมื่อล้างเครื่องเศร้าหมองอย่างละเอียดจนหมดแล้วทำให้มันสิ้นสุดแล้วคราวนี้ก็ยังคงเหลือกองสายทองช่างทองหรือลูกมือของช่างทอง ย่อมใส่ทองนั้นลงไปในเบ้าหลอมแล้วเป่าทองนั้นด้วยไฟเป่าแล้วเป่าเล่าเป่าจนได้ที่ถ้ายัางไม่ติดสนิทแนบเป็นเนื้อเดียวกันยังไม่ถูกนำเอารถฝาดออกจนหมดมันย่อมไม่อ่อนไม่ควรแก่การงานของช่างทองเป็นของเปราะ แง่ายและยังไม่เข้าถึงเพื่อการกระทำโดยชอบช่างทองหรือลูกมือของช่างต่อนั้นก็ย่อมเป่าทองนั้นด้วยไฟเป่าแล้วเป่าเล่าเป่าจนได้ที่ในสมัยใดสมัยนั้นมีอยู่เมื่อทองนั้นถูกเป่าด้วยไฟ ถูกเป่าแล้วเป่าเล่าถูกเป่าจนได้ที่ติดสนิทแน่เป็นเนื้อเดียวกันถูกนําเอารถฝาดออกจนหมดทองนั้นย่อมเป็นทองที่มีเนื้ออ่อนก้วนแก่การงานของช่างตองส่งรัศมีมีเนื้อร่วนและเหมาะสมแก่การกระทําของช่างทอง ถ้ามีใครต้องการทำเครื่องประดับต่างๆเช่นแหวนตุ้มหูสร้อยคอหรือสุวรรณมาลาก็ตามก็ย่อมสาเร็จประโยชน์แก่เขานั้นคนนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันอุปกิเลสอย่างหยาบคือกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริต ของบุคคลผู้ประกอบความเพียรในจิตยิ่งแต่ยังมีอยู่เธอผู้มีสัญชาติเป็นคนฉลาดย่อมละทิ้งบันเทาอุปาิเลตอย่างหยาบของใจตนนั้นเสียทำให้มันสิ้นไปให้หมดไปเมื่อละมันได้เด็ดขาดแล้วทำให้มันสิ้นไปได้แล้ว บุคคลผู้มีประกอบความเพียรบุคคลผู้ประกอบความเพียรในจิตอันยิ่งก็ยังมีอุปกิเลสอย่างกลาง คือความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทและความคิดในทางเปลี่ยนเปลี่ยนบุคคลผู้มีสัญชาติเป็นคนฉลาดย่อมหลาทิง้งบรรเทาอุปกิเลสอย่างกลางกองใจต้นนั้นเสียทําให้มันสิ้นไปให้หมดไปเมื่อละมันได้เด็ดขาดแล้ว ทำให้มันสิ้นสุดแล้วบุคคลผู้ประกอบความเพียรในจิตอันยิ่งก็ここยังมีอุบาิเลสอย่างละเอียดคือความคิดถึงชาติความคิดถึงชนบทความคิดอันประกอบไปด้วยความไม่ดูหมิน่นก็เมื่อบุคคลผู้มีสัญชาติเป็นคนฉลาดย่อมละทิ้ง บรรเทาอุปกกเรตอย่างละเอียดของใจตนนั้นเสียแต่ไม่เหมันสิ้นไปให้หมดไปเมื่อเราเหมือนได้เด็ดขาดแล้วทำให้มันสิ้นสุดไปได้แล้วก็ยังคงเหลือทำมาิตกต่อไปตัว น, นั้นถ้าสมาธินั้นยังไม่ละเอียดยังไม่ประณีตยังไม่ได้ความสงบระงับ อย่างไม่ถึงความเป็นธรรมอันเอกพุทธมีขึ้นยังมีการห้ามการคมกิเลสด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่งก็สมัยใดที่เดินดำรงจิตให้อยู่ในภายในสงบเอาไวา้เป็นธรรมอันเอกพุทธมีขึ้นตั้งมั่นอยู่สมัยนั้นสมาธินั้นเป็นธรรมอันละเอียด ประณีตได้ความสงบระงับถึงความเป็นธรรมหันเอกพุดมีขึ้นไม่มีการห้ามการข่มกิเลสด้วยทำเครื่องปรงแต่งแต่เมื่อเท่านั้นน้อมจิตไปเฉพาะเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองซึ่งธรรมานใดที่ควรทำให้แจ้ง ด้วยปัญญาอันยิ่งอยู่เต ย, ย่อมสมควรที่จะทำธรรมานั้นให้แจ้งได้กระบวนการที่ในช่างทอง เราจะทำบริกรรมกับทองคำเพื่อได้ใช้ออกมาเป็นทองคำที่มีสีสุกเนื้ออ่อนเป็นของนุ่มสามารถที่จะขึ้นรูปทำเป็นแหวนเป็นมงกุฎเป็นสร้อยคอได้พระพุทธเจ้าได้อธิบายไว้ในเรื่องราวนี้ ที่จะต้องผ่านการล้างด้วยกลุ่มคนที่เรียกว่าคนล้างฝุน่นผ่านการล้างถึงสามรอบล้างอย่างหยาบอย่างกลางและอย่างละเอียดด้วยเครื่องมือที่ต่างๆกันผ่านคนล้างฝุ่นแล้วก็ต้องมาผ่านช่างทองที่เอามาหลอม คนล้างฝุ่นที่เขาทําบริกรรมกับดินที่เป็นสินแร่ของทองคําเพื่อให้ในกองใส่ทองนี่ก็ส่วนหนึ่งช่างทองคําที่ทําบริกรรมกับกองใส่ทองเพื่อที่จะให้ออกมาเป็นทองคําสีสุกนี่ก็อีกส่วนหนึ่งไม่ใช่ล้อมเป่าด้วยไฟรอบเดียวแต่ต้องทําหลายรอบหลายเที่ยว เป่าแล้วเป่าเล่าเป่าจนได้ที่รถฝาดยังออกไม่หมดแต่ทองคามันยังไม่ได้ติดแน่เป็นเนื้อเดียวกันยังมีที่มันยังเป็นเศษบ้างเป็นรถฝาดบ้างเป็นเนื้อไม่นุ่มบ้างเขาก็จะต้องทำบริกรรมกับทองคมนี้อยู่เรื่อยไปเรื่อยไปจนมันถึงรอบของมันถึงความที่มันจะ เป็นของเหมาะสมแก่กิจการงานของช่างทองได้เปรียบเทียบไว้กับการที่เราจะทำการบริกรรมจิตของเราคือการพัฒนาจิตของเราเราจะเอาเจ้าเศษที่มันเป็นหยบยาบที่มันโผล่มาทางกายทางบาจาเศษหยบยาบนี้ เรื่องมือที่เราใช้คือศีลก็ื่อที่จะรักษาทางกายทางวาจาของเรานี่คืออย่างหยาบๆศีล น, นั้นก็ยังเป็นเรื่องที่ละเอียดมีศีลหลายข้อที่นี้เรารักษาศีลแปดวาจาให้มีการหลีกเล่น รับประทานอาหารเว้นในเวลาวิการเป็นผู้ที่ประพฤติปรหมจรรย์เพื่อที่จะทํำกายวาจาก็รอให้มันละเอียดลงยิ่งในใจกายวาจานี้ยังเป็นแค่ของหยาบๆ ย, ยังจะต้องมีการล้างอย่างละเอียดล้างอย่างกลางล้างอย่างละเอียด เราต้องมีการที่เหมือนช่างทองเ้ามาเป่าทองคำยิ่งเมื่อถ้าเรารักษาศีลพยายามทำจิตเราที่บางทีมันหยาบถึงขนาดว่าโผลออกมาทางกายทางวาจาเป็นการผิดศีลก็รักษาความหยาบนี้ด้วยการรักษาศีลความหยาบนี้มันก็าหายไปยังเหลือแต่สิ่งที่มันยังเป็น ที่ไม่ดียังไม่เป็นบริกรรมที่เป็นกลางกลางและก็ละเอียดนั่นก็คือบางทีเรารักษาศีลได้แต่ความคิดนึกนั้นยังมีที่มันเป็นบ้าบ้าบอๆขึ้นๆลงๆคิดพยาบาทบ้างคิดในการบ้างคิดเบียดเบียนบ้างประทุษร้ายบ้างก็ดึงมืออย่างที่สองที่จะเอาไอ้เจ้า จิตที่มันมีกิเลสมันยังไม่เป็นบริกรรมเป็นเศษอย่างกลางๆให้มันออกไปก็คือสัมมาสังกัปปะเราพยายามตั้งสติของเราขึ้นมีความคิดที่ไม่ดีคิดฟุ้งซ่านบ้างคิดเบียนเบียนตัวเองบ้างเราไม่เอาจิตของเราเอาไว้ตรงนั้นจิตของเราเอาไปจี้ไปจอ่อไปใส่ไว้ตรงไหน สิ่งนั้นจะมีกําลังมีพลังขึ้นมาเราจรี้ไปใส่เราจรีเราไปจี้ใส่ไว้ตรงความคิดที่เหมือนบ้าๆบอๆเป็นความคิดที่เป็นการพยาบาทเบียดเบียนอยู่ในใจก็จริงแต่เป็นความคิดที่ไม่ดีเป็นความคิดอย่างห ย, ยาบๆแต่เป็นกิเลสอย่างกลาง อย่างกับหยาบนี้ออกมาทางกายทางบาจาเราปิดกั้นแล้วเหลือแต่ความคิดที่มันยังเป็นเศษอย่างกลางๆในใจเราหยิบออกโดยการไม่เอากำลังจิตของเราไปให้หมันตรงนั้นเราฝึกเราทำเรื่องของเจ้าความคิดในทางกาพรพยิบาตเบีดเบียน<ๆ>ก็ค่อยระงับไปหมดไปบางคนในสองสวันแรกก็จจะมีความคิดฟุ้งซ่านจิตใจไม่สงบอยู่บ้าง แต่พอเราสร้างเหตุปัจจัยต่างๆที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการรู้ประมาณในการบริโภคการรักษาศีลการฟังธรรมะการอยู่เล็กเร่นฝึกที่จะตั้งสติขึ้นจิตใจที่ฟุง้งซ่านนั้นก็ค่อยระงับลงระงับลงมีความคิดความดำริเปนในทางที่ดีได้เศย่างกลางมันก็ออกไป ก็ค่อยมีความละเอียดลงแต่มันก็ยังมีอุปากิเลสอย่างละเอียดคือบางทีสมาธิมันเข้าไม่ได้ความคิดบ้าบอ น, นั้นไม่มีก็จริงแต่ว่าก็ยังเข้าสมาธิที่มีความสงบประงับไม่ได้มันยังมีนิ ว, วรณ์มีเครื่องกั้นความง่วงบ้างความคิดนั้นนี้โน้น คุ้งสั้นไปบ้างเครื่องมือที่เราใช้ในอย่างที่สามนั่นก็คือสัมมาสมาธิบุคคณที่ตั้งไว้ซึ่งส ม, มาสติจะทำส ม, มาสมาธิให้เกิดขึ้นได้กําจัดเจ้านิวรณ์ออกไปจากจิตของเราทำความละเอียดลงอาจจะมีการเห็นภาพบ้างเห็นแสงบ้าง ได้ยินเสียงอะไรต่างๆบ้างเรื่องที่มันละเอียดละเอียดลงไปตรงนี้เราไม่เอาจิตของเราไปใส่ไว้ตรงนั้นตรงนั้นแต่ให้จิตของเรามาตั้งสติไว้เริ่มต้นด้วยการที่นึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธนี้มีความระงับลงละเอียดลงจิตก็จะค่อ ย, อยมีการปรุงแต่งทางกายระงับ มีการปรุงแต่งของจิตระงับลงระงับลงก็จะเข้าสมาธิได้มีความสงบระงับเป็นปัสสถีนบ้างเป็นอุเบกขาบ้างเกิดขึ้นช่วอุปกิเลสต่างๆที่อยู่ในใจของเรา เป็นขั้นเป็นตอนจากหยาบมาละเอียดนี้จะต้องกําจัดออกมาหนออกไปเป็นขั้นตอนอย่างถ้าคนล้างฝุ่นก็จะมาล้างเศษอย่างละเอียดหรือเศษอย่างกลางโดยไม่กําจัดเจ้าเครื่องเศร้ามองอย่างหยาบๆไปก่อนเนี่ยเขจะทําไม่ได้ เขาก็จะต้องกำจัดเครื่องเศร้าหมองอย่างยากไปก่อนเหมือนกันเวลาที่เราจะมาทำสมาธินั่งสมาธิให้จิตมันรวมจิตมันสงบไปเนี่ยถ้าศีลเราไม่รักษาให้ดีโดยมีความเศร้าหมองในรัตนตรยัยมันจะทำให้เวลานั่งสมาธินั้นจิตมันหลุดตึบ๊บมันไม่สามารถรวมวางลงไปได้บางคน ในเราอนก่อนเคยไปด่าพระเจ้าพระสงฆ์มีความคิดนึกตำหนิในพระพุทธพระธรรมทำให้สารณะของตัวเองเศร้าหมองเวลานั่งสมาธิจิตจะรวมลงไปมันก็ไม่รวมมันก็ถูกดึงถูกเกี่ยวไปทางอื่นให้จิตนั้นระ ง, งับลงไม่ได้ดังเพราะว่าอุปกิเสอยังกลางยังหยาบยังไม่ได้รับการแก้ไข เราปฏิบัติตามมาเป็นขั้นตอนขั้นตอนกำจัดเจ้าความหยาบความประยศความเสพผิดดิ้นรนของจิตที่มันออกมาในรูปของกายวาจาด้วยศสีลด้วยการหลีกเล่นด้วยการอยู่ฉันโดดสงัดกำจัดเจ้าความคิดที่เป็นไปในทางการพยาบาทเบียดเบียนด้วยเครื่องมือคือสัมมาสังกัปปะ คิดไม่ดีไม่เอาพยายามตั้งสติขึ้นเอาไว้พยายามตั้งสติเอาเจ้าเศษอย่างกลางคือความคิดที่ไม่ดีไม่ดีออกไปได้มันยังมีเศษอย่างละเอียดคือเจ้านิวรต่างๆทำให้สมาธิมันไม่แน่นไม่เนียนเหมือนกับช่างทองเา้าได้คนล้างฝุ่นที่เขา ล้างฝุ่นแล้วจนกระทั่งเหลือสะเก็ดกระลำพักหรือว่าทรายอย่างละเอียดเนี่ยเม็โกมันก็จะละเอียดละเอียดคล้ายๆ ก, กันกับผงสายทองแต่ว่ามีความหนาแน่นไม่เท่ากันเขาก็จะมีเทคนิคการล้างให้มันแกว่งสารที่มีความหนาแน่นมากไปอีกด้านหนึ่งอีกน้อยมาอีกด้านหนึ่งหรือแต่กองสายทองนรวน หรือแม้ในกองใสทองลวนนั้นบางทีก็ยังมีสเก็ตกระลมพักคือสินแร่อื่นๆเช่นตะกัวหรือดีบุกหรือเงินที่มันมีความหนาแน่นใกล้เคียงกันกันกบทองคำมันยังปนไปอยู่เช่นเดียวกันเวลาที่เราตั้งสัมมาสติของเราขึ้นเอาเจ้าเศษอย่างหยาบๆคือมิจฉาสังกปะความคิดบ้าบอออกไป เอาเจ้านิวรณ์ต่างๆออกไปเป็นสมาธิเกิดขึ้นในิตของเราบางทีมันยังมีเศษสิ่งอะไรมาทำให้สมาธิของเราเหมันเคลื่อนชิ <c oughs> ่นความสะดุ้งหวานเสียบ้างความอยากที่จะได้สมาธิบ้างความกระสันอยาก บทีมีความเพียรมากเกินไปบาทีมีความเพียร น, น้อยเกินไปบาทีไม่เคยได้สมาธิแล้วมาได้มีความตื่นเต้นขึ้นเหมือนคนไม่เคยเจอเห็นลุมทรัพย์พอมาหาจริงๆเห็นลุมทรัพย์ตั้ง5คาขุมหกลุมตื่นเต้นตกใจขึ้นพวกนี้จะเป็นเศษอย่างละเอียดละเอียด ที่บางทีมาทำให้สมาธิของเรามันเคลื่อนไปเข้าได้บ้างเข้าไม่ได้บ้างคาบนี้ได้คาบอื่นๆไม่ได้ความละเอียดของจิตที่อยู่ข้างในใจของเราเนี่ยที่มีใจเป็นช่องทางมีมโนเป็นช่องทางมีสิ่งต่างๆอยู่ในใจเยอะแยะไปหมดให้เราทำให้มีความละเอียด มีความระงรับพระพุทธเจ้าใช้คำว่าทาการปรุงแต่งของจิตให้ระงรับลงระงรับลงจิตของเรานี้ถ้ามันยังมีการปรุงแต่งไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็จะปลิกไปทำกิจยิญาในการรับรู้มันก็จะปรุงแต่งออกมาเป็นวิญญาณ ไปทำหน้าที่ในการรับรู้เสียงบ้างความคิดบ้างสิ่งดีบ้างไม่ดีบ้างถ้ามันปรุงแต่งออกมาไปทำหน้าที่ในการสร้างกรรมเป็นมโนสังขารบ้างปรุงแต่งที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้นี่เป็นวิญญาณแล้วรับรู้แล้วบางทีก็สร้างออกมาเป็นกรรมทางใจทางวาจาหรือทางกาย ชิ้นใหญ่บ้างชิ้นเล็กบ้างดีบ้างหรือไม่ดีบ้างหรือจิตนี้มันก็จะมีการไปปรุงแต่งเดี๋ยวไปรับรู้เป็นความรู้สึกคือเวทนากิริยาที่รู้สึกได้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นก็เรียกว่าเวทนาอะไรที่มาทำกิริยาในการรู้สึกคือเวทนานี้ก็จิตนี่แหละกิริยาที่รับรู้คือวิญญาณ กิริยาที่รับรู้ได้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นเรียก ว, วิญญาณอะไรที่มาทำกิริยานี้ก็จิตนี่แหละจิตนี่แหละที่เดี๋ยวมันไปเป็นความรับรู้ความรู้สึกบ้างจิตนี่นแหละที่มันเดี๋ยวเป็นวิญญาณบ้างเดี๋ยวมันปรุงแต่งไปเป็นสัญญาคือความหมายรู้บ้างกิริยาที่หมายรู้ได้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นเรียกว่าสัญญานี้ ใครที่มาทำกิริยานี้ก็จิตนี่แหละจิตดวงนี้ของเรานี่แหละที่มันจะมีการปรุงแต่งออกมาเป็นความคิดบ้างเป็นความรู้สึกบ้างเป็นความหมายรู้สัญญาเป็นความรู้แจ้งคือวิญญาณบ้างเราจะไม่เห็นตัวจิตเดิมๆได้เลยแต่เรา แต่จิตนั้นยังมีการปรุงแต่งของจิตอยู่เป็นจิตตสังขารก็เห็นแต่ความคิดบ้างเห็นแต่ความรู้สึกบ้างความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างความรู้สึกที่เป็นความคิดบ้างเป็นสัญญาบ้างเหล่านี้ยังไม่ใช่จิตแต่เป็นการทำหน้าที่ของจิตที่มันปรุงแต่งออกมาให้เห็นเป็นเศษอย่างกลางๆบ้างเรากาจัดออกไปด้วย สัมมาสังกัปะให้เห็นเป็นเศษอย่างละเอียดบ้างเป็นพวกนิวร์บ้างอะไรบ้างเรากำจัดออกไปด้วยสัมมาสมาธิแต่มันก็ยังจะมีการปรุงแต่งนั่นนี่นนจิปปาตาอีกเยอะแยะที่จิตของเรานี่แหละที่มันปรุงแต่งไปตามสิ่งต่างๆจิตนี้ถ้ายังมีการปรุงแต่งไปเป็นสังขารนี่ มันก็จะมีการปรุงแต่งไปในการรับรู้เป็นวิญญาณจิต ท, ที่มีการปรุงแต่งคือสังขารแล้วมันก็จะมีวิญญาณเนี่ยเวลามันจะไปรับรู้มันก็จะไปรับรู้ได้แค่เรื่องของนามและรูปตอนนั้นเองนามก็เป็นสัญญาเวทนาเจตนาวิตกรูปนี่ก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมจิตมันจะไป ปรุงแต่งออกไปรับรู้กับรับรู้พวกนี้นามรูปช่องทางในการที่มันจะไปรับรู้นามรูปคือทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นสัญญาณจิตที่มันจะไปมีการปรุงแต่งรับรู้นามรูปทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันจึงเกิดเป็นผัสสะ ข, ขึ้นจะมีผัสสะเกิดขึ้นที่จิตเวลาที่จิตเราดวงนี้แหละดวงนี้แหละที่เราใจจดจ่ออยู่นี่แหละ มันไปรับรู้ผัสจัต่างตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นผัสจัขึ้นเลยมันก็จะมีความรู้สึกเกิดขึ้นที่จิตเป็นความรู้สึกเป็นเวทนาที่สุขบ้างทุกบ้างไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขบ้างจิตที่มีความรู้สึกคือเวทนาเกิดขึ้นเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นต้นมันก็จะทำให้จิตนี้มันไปมีความอยากได้อยากได้สุข ไม่อยากได้ทุกเป็นตัญหาจุดงในที่มีตัญหาเกิดขึ้นอย่างนี้มันก็จะไปยึดยึดเป็นสภาวะความยึดนั้นคืออุปาทานสภาวะนั้นคือภพพะจิตมีความยึดเป็นสภาวะแล้วสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ถูกจิตยึดเป็นสภาวะนั้นจิตก็จะมีการไปเข้าลงยึดถือโดยความเป็นตัวตน มีการเกิดมีความแก่ความตายความโศกความร่ำไรน้ำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความขับแกนใจเกิดขึ้นที่จิตเรานี่แหละกระบวนการการที่จิตเราไปปรุงแต่งจนเกิดความทุกนี้ก็มีด้วยอาการอย่างนี้เพราะความที่จิตนั้นมันไม่รู้มีความไม่รู้ว่ามันทำไมจะต้องไปปรุงแต่งเพราะมันไปปรุงแต่ง มีจิตตสังขารมีการปรุงแต่งตามกระบวนการนี้มันจึงเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างมีปัญหาเกิดขึ้นที่จิตของใครสคักคนหนึ่งมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างก็เพราะว่าจิตนั้นยังไปปรุงแต่งตามสิ่งต่างๆที่มากทุบอยู่จิตดวงนี้ของเรานี่แหละที่มาเกิดในกายนี้ที่มันเดี๋ยวพลิก เป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างอื่นเราจะให้จิตของเรามีการปรุงแต่งที่ระงับลงระงับลงไม่ไปปรุงแต่งตามสิ่งอื่นที่มากระทบได้เนี่ยคือถ้าจิตมันไม่ไปปรุงแต่งไม่มีสังขารการที่จิตมันจะปรุงแต่งออกมาเป็นการรับรู้มันจะไม่มีจะไม่มีวิญ ญ, ญาณมันไม่ไปทำหน้าที่นั้น เพราะมันไม่ไปปรุงแต่งเพราอมันไม่ไปมีวิญญาณการรับรู้การที่จิตจะไปรับรู้ทางนามหรือรูปก็เกิดขึ้นไม่ได้ไม่สนเพราะไม่ไปรับรู้ในทางนามหรือรูปนามหรือรูปดับไปการที่จิตมันจะไปรับรู้ทางช่องทางเป็นสลรยธนะตาหูชมูลิงกายและใจนั้นก็ไม่เกิดขึ้น เมื่อจิตไม่ไปรับรู้สนใจสิ่งต่างๆตามช่องทางนั้นภัสาก็ตามเวทนาก็ตามก็เกิดขึ้นที่จิตไม่ได้จิตก็อยู่เหนือจากเวทนาต่างๆพออยู่เหนือจากเวทนาคือความรู้สึกจิตนึนก็ไม่ไปมีความอยากที่จะให้ได้สุขหรือไม่อยากที่จะไม่ได้ทุกข์ ไม่มีความอยากไม่มีตัณหาความที่จิตนั้นจะไปยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยความเป็นตัวตนเป็นอุปาทานเป็นสภาวะคือพก่ขึ้นมานั้นก็ไม่มีจิตนั้นก็เป็นจิตที่เป็นประพัดสอนไม่ได้บวนไวไปตามอุปกิเลสที่เป็นตะกันตุกาจอนมาเราจะให้จิตของเรามันไม่ไปบรุงแต่งสร้างเป็นความทุกข์ต่างๆขึ้นมา เป็นจิตสังการได้เนี่ยจิตของเรานี่ยต้องมีความรู้คือวิ ช, ชาความรู้คือวิ ช, ชาที่ว่าไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้เราจะให้ความรู้คือวิ ช, ชาเกิดขึ้นที่จิตของเราได้ว่าจิตของเราที่เราใจของเรามาจดจอ่อตั้งสติไว้นี่ พุทมันจะมีอยู่หรือไม่มีอยู่ก็ช่างมันเถอะแต่ถ้าจริงของเรามีสติอยู่เอาใจจดใจจ่อไว้ตรงนี้จับมันเอาไว้ดูมันให้ดีตรวจสอบตรวจตราให้รอบขอบดูให้มันเห็นหมายจิตนี่แหละที่มันเดี๋ยวไปเป็นอย่างนี้เดี๋ยวไปเป็นอย่างอื่นเราจะให้จริงของเราดวงนี้ มามีความรู้รู้ว่าเฮ้ยเธอไม่ต้องปรุงแต่งตามสิ่งที่มากระทบก็ได้เธออยู่สบายสบายก็ได้ไม่ต้องไปเดี๋ยวไปปรุงแต่งเป็นความรู้สึกเวทนาหรือเป็นวิญญาณเป็นสังขารจะให้สังขารมันไม่เกิดขึ้นจะให้อวิชามันดับไป วิชาคือความรู้จะต้องทำให้เกิดขึ้นเราจะทำให้จิตนั้นมีความรู้มีวิชาเกิดขึ้นได้ว่าคุณไม่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งที่มากระทบก็ได้จะให้มีความรู้คือวิชาเกิดขึ้นจะต้องทำโพชงองครรมในการตรัสรู้ธรรมให้เกิดขึ้นการที่เราตั้งสติของเราไว้เป็นสติสัมโพชง เห็นสิ่งที่มากระทบโดยความตามเนื้อผ้าของมันเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ไม่เข้าไปวันไหวเป็นความสงบระงับเป็นปสัสสถารที่มีอกุศลธรรมลดลงกุศลธรรมเพิ่มขึ้นนั้นเป็นการทำความเปลี่ยนเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์มีอุเบกขาบ้างมีสมาธิบ้าง พอชงทั้งเจ็ดวงทํธรรมแห่การตรัสรู้ธรรมจะเกิดขึ้นจะทำให้จิตของเรานันมีความรู้คือวิชาเกิดึ้นได้จะทำให้พอชงเกิดขึ้นเราก็ต้องทำสติปัฏฐานสี่ให้เกิดขึ้นสติปัฏฐานสี่สตินี้เป็นธรรมอันเอกเป็นธรรมอันเอกที่พระพุทธเจ้าบอกได้อริษฐานถึง ตอนที่ท่านอยู่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะวันนี้แหละเป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวทางเดียวหมายถึงทางเอกทางเดียวหมายถึงทางลัดแล้วไม่มีทางลัดอื่นนอกจากนี้การอ้อนบอนกอร้องไม่ได้เป็นทางลัดแต่เป็นทางตันไปได้อยู่แรกๆ แ, แต่ไปสัหน่อยมันจะตันไปต่อไม่ได้ แต่ทางที่จะไปต่อได้จนสุดเป็นทางลัดทางตรงทางเอกนั่นคือมาตามสติประถานทั้งสี่เราเริ่มต้นด้วยการที่เรามานึกคิดระลึกตึงกำว่าพุโทโธพุโทโธตั้งสติจดจ่อไวจเจริญพุทธานุสติอยู่มีสติประฐานสี่แล้วจะทำมงทำเป็นการตรัสรู้ธรรม เป็นอุเบกขาบ้างเป็นสมาธิบ้างเป็นความสงบระงับเป็นพชชงทั้งเจ็ดให้เกิดขึ้นในจิตของเราได้พอเรทาทำพจน์ชงทั้งเจ็ดให้เกิดขึ้นในจิตของเราได้จิตของเราน้อจะมีความรู้มีวิชาและวิมุติมันจะพ้นพ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะหก ผลจากรูปเสียงกลิ่นรสพุทธบ้าธรรมารมพิจารณาผ่ายนอกผลจากรูปเิจตราสัญญาสังการวิญญาณคือกันห้าผลจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมคืออยู่เหนืออยู่เหนือแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะมีมาหรือไปอย่างไรเราอยู่เหนือแล้วมีความรู้แล้วเนี่ยจิต น, นั้นจะได้ไม่ ไปโปรโพงเป็นนามรูปเป็นวิญญาณเป็นสัจจะตระตนตัต่อไปต่อไปจิตนี้ก็จะเป็นจิตที่เป็นประพัดสอนไม่เข้าไปเกลือกลัวอยู่ในความทุกข์ทุกข์นั้นก็มีอยู่ตามประษาของมันของมีอยู่ในโลกมันเป็นของโลกขันหานี้ก็เป็นของโลกความสุขความทุกข์ ความรู้สึกใดที่มันจะวิิศมาลาหรือมันน่าเกลียดน่าชังอันนี้เป็นของโลกเขาไม่ได้เป็นของเราของที่มันอยู่คู่กับโลกมีความสุขบ้างทุกบ้างวันไว้เ ป, ปลี่ยนแปลงไปมีลักษณะของความทุกข์นี่เป็นทุกขาริสั์เป็นขันคือกองทุกข์นี่เราไม่เอามาเป็นของเรา คือมันจะไม่ฉลาดเท่าไหร่แต่เราทุกมาใส่หัวเราเองของไหนที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาถ้ามาเป็นของเราแล้วเราจะทุกข์แล้วเราจะโง่ทำไมเราอยา่าโง่แต่ให้ฉลาดให้ฉลาดในการที่ใช่มีความรู้เกิดขึ้นว่ากองของโลกเขาคือสิ่งที่เป็นกองทุกข์ทั้งหลายเป็นกองโลกอยู่ เราไม่เอามาเป็นของเราเราจะเห็นความจริงข้อนี้ได้ก็จิตนี่แหละจิตนี่แหละจิตนี่แหละที่มันจะเป็นตัวไปดีดดิ้นปลิ้นปลัน้นมีสภาวะที่ลวงเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างอื่นพระพุทธเจ้าเคยตรัสบอกไว้กับปริปาชกที่ชื่อมากันติยะเหมือนคนที่เขา ตาบอดมาแต่กำเนิดก็ไม่ได้เคยเห็นแสงไม่ได้เคยเห็นสีไม่ได้เคยเห็นภูเขามีคนอีกคนหนึ่งไปเขาคนตาบอดนี้ได้ฟังข้อมูลว่าผ้าขาวเนื้อดีนั้นเป็นของดีเป็นของไม่มีมลทินได้ยินข้อมูลมาแค่นี้ตัวเองไม่เคยเห็นมีคนหนึ่งเขาไปลวงคนตาบอดนี้ด้วย ผ้าขาวเนื้อเหลวเปื่อนกระเมาวันนี้เป็นของดีของงามของสวยตัวเองรับผ้าที่เปื่อนกระเมนี้มาก็คิดว่าสิ่งนี้เป็นของดีของงามเอามาห่มเอามาโชว์เอามาใส่แต่เวลาต่อมาสมัยต่อมาญาติของคุณตาบอดนี่เขาเอาหมอมารักษาให้ หมอก็ใส่ย า, ย, ายาหยาดอดต า, ายากินยานัดยาถ่ายยากัดให้ช่องในตามันเปิดได้ให้แสงมันผ่านเข้าไปได้เห็นขึ้นมาเพราะคนจากที่ตาบอดไม่เคยเห็นสิ่งใดๆพอเห็นรู้เรื่องราวแล้วพบว่าเอานี่มันผ้าปืนขม่านี่นา มันเป็นของสกปรกเป็นของมีมนทินแล้วเราจะเอามาไว้ตาไมเราก็จะทิ้งไปทิ้งไปคนตาบอดที่กลับเป็นตาดีขึ้นมาก็จะมารู้สึกถึงว่าอุย้ยเราถูกหมอนี่หลอกมาตั้งนานโดยผ้าเนื้อเลว็วเพื่อนกับเมาอุปมาอุปไมนี้พระพุทธเจ้ายกขึ้น ปูกมายกขึ้นไวเพื่อจ ะ, จะเปรียบเทียบกับว่าเราทั้งหลายที่เกิดมาในโลกใบนี้เนี่ยเป็นเหมือนคนตาบอดยังไม่เห็นอริยสัจมีตาอาจจะทำให้หาทรัพย์ได้เห็นอยู่ทำการค้าขายทำอาชีพทำศิลปะใดใดมีตาที่จะเห็นทรัพย์ ข้นขวายกิจการงานมีอยู่แต่ว่าตาที่จะมาเห็นธรรมะเป็นตาที่จะมารู้อริยสัจยังไม่มียังบอดอยู่ตาที่ยังบอดอยู่ยังไม่เห็นธรรมะนี้ก็มีจิตมาด้วยเพราะเราทั้งหลายเกิดมาในสังสารวัตรนี้ยังมีตาบอดที่ไม่เห็นอริยสัจจิตนี้แหละเป็นตัวที่จะมาหลอกเรา จะเป็นคนที่ปลิ้นปลัน่นปลอมเทียมมาหลอกให้เรานั้นไปยึดถือซึ่งรูปเบทนาสัญญาสังการวิญญาณว่าเป็นตัวเราของเราจิตของเรานี้ถูกหลอกให้เดี๋ยวไปยึดความคิดนี้เดี๋ยวไปยึดอารมณ์นั้นเดี๋ยวไปเข้าใจสิ่งนี้ว่าเป็นตัวเราของเรา จิตของเรานั้นถูกหลอกอยู่ด้วยอวิชชาอาวิชชามันมาบังเอาไว้ทําให้เราตาบอดมองไม่เห็นจิตมันไปรับรู้อะไรมันก็ยึดถือหมดให้เรามาพิพจารณาเจ้าจิตของเรานี้ให้ดีจิตดวงนี้แหละที่มันเป็นอย่างนี้หรือมันเป็นอย่างอื่นเราจะเข้าถึงจิตของเรานี้ไม่ได้เลย เราไม่ได้ทำในเจอบการปรุงแต่งของจิตที่เป็นเรื่องห ย, ยาบหยาบให้มันระงับลงระงับลงซะกอ่อนเราทำการปรุงแต่งของจิตเราที่ออกมาในทางกายวาจาเป็นอุปกิเลสอย่างหยาบให้ระงับลงด้วยศีลเราทำความคิดบ้าบ้าเบาๆบาที่เป็นมิจฉาสังกปะให้ระงับลงด้วยการตั้งสติทำสมาสังกปะให้เกิดขึ้น กิเอย่าง ก, งกลางๆเราทำเจ้านิวรต่างๆให้ระงรับลงด้วยการทำสมาธิให้เกิดขึ้นตั้งสติให้มันจ่อเข้าไวแหลมลงเล็กนิดเดียวจนเป็นสมาธิแล้วเริ่มเห็นตัวเนื้อจิตแล้วพิจารณาจิตเรานี้ให้ดีว่าจิตนี้แหละ เดี๋ยวเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวรับรู้ทางตาเดี๋ยวรับรู้ทางเสียงผ่านทางหูรับรู้อะไรมาเดี๋ยวพอใจบ้างไม่พอใจบ้างก็จิตนี่แหละเดี๋ยวมันสุขบ้างมันทุกข์บ้างก็จิตนี่แหละเดี๋ยวมันเห็นภาพบ้างเห็นแสงบ้างก็จิตนี่แหละเดี๋ยวไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้บ้างก็จิตนี้แหละ ดีบ้างอนาคตบ้างอยากบ้างละเอียดบ้างเดี๋ยวบ้างประนีตบ้างไกลบ้างใกล้บ้า ง, างก็จิตนี้ล่ะจิตนี้แหละที่เป็นตัวที่เดี๋ยวเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเป็นอย่างอื่นเราเห็นมันดีแล้วจิตนี้ก็ไม่ใช่ของเราให้เราวางมันเสียวางที่ เราจะไปยึดถือจิตนี้โดยความเป็นตัวตนจิตนี้ก็ไม่ใช่ของเราแต่เป็นของโลกเขาเป็นของที่มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นอาศัยผัสสะบ้างอาศัยเอาวิชาบ้างอาศัยตัณหาบ้างเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างนี้หรืออย่างอื่นมันอยู่เองตัวเองไม่ได้หรอก เป็นเป็นของที่อาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้นให้เราพิจารณาเจ้าจิตของเรานี้ให้ดีให้ความจริงเปิดตาคือธรรมะให้เห็นความจริงว่าจิตของเรานี้ก็ไม่ใช่ตัวตนแต่เป็นอนัตตาเป็นกองที่ไม่ควรเข้าไปยึดตื อ, อไว้สิ่งไหนที่มีความไม่เที่ยง มันเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างนี้ได้เป็นอย่างอื่นได้เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นตามเหตุตามปัจจัยถ้ามีเสียงเดี๋ยวมันก็เ ป, เปลี่ยนเป็นโสตาบิญญาณถ้ามีความรู้สึกเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นเวทนาเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้อย่างอื่นตามเหตุตามปัจจัยมีความไม่เที่ยงเนี่ยที่ในมีความไม่เที่ยงแล้วมันเป็น สิ่งใดเป็นทุกข์เราอย่ามาเอาเป็นของเราควรแล้วหรือที่เราจะเอาสิ่งที่มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือควรแล้วหรือที่เราจะ เ, าเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราของเราสิ่งไหนที่เราไม่ควรเห็นว่าเป็นตัวเราของเราให้เราวางเสียเราจะวาง สิ่งเหล่านั้นได้การวางนี่คือแค่ปล่อยให้มันไปตามทางของมันมันจะเป็นยังไงปรุงยังไงสีอะไรออกมารู่มแบบไหนให้มันไปตามทางของมันเราไม่เกี่ยวกับมันมันไม่เกี่ยวกับเรามันเป็นของมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันให้เราพิจารณาเห็นความจริงในจิต จะเปิดตาคือธรรมจักสุเมันยังที่ท่านพระอัญญ า, นากนตัญญัษ์ท่านพระนกนัญญัษ์ได้ฟังเรื่องอริยสัจสีที่ปาอีสีปตตัณหามฤตกายวันเป็นความรู้ที่ทำให้ดวงตาคือธรรมคือจักธรรมจักสุของท่านเกิดขึ้นมีความรู้ว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาชิ้งเรามันไปเกิดรับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้จิตนี้ก็มีความดับไปได้สิ่งไหนเกิดได้สิ่งนั้นดับได้เป็นธรรมดากองมันเรามีธรรมะจักรสูตรนี้อยู่ที่ใจของเรา เห็นสิ่งต่างๆตามสภาพที่มันเป็นจะทำให้จิตใจของเรานั้นเป็นบริกรรมเหมือนกับทองคำที่นายช่างเขาหลอมาแล้วอย่างดีมีสีสุขเป็นทองที่อ่อนเหมาะควรแก่การงาน จุดที่เรามีดวงตาคือธรรมะเห็นแล้วเปิดแล้วจะมีความเป็นประัสอ์เห็นสิ่งใดมองสิ่งใดก็จะมีความแจ่มแจ้งเป็นความรู้รู้อยู่ตามที่เป็นจริงรู้อยู่ตามสภาพของมันรู้เห็นตามที่เป็นจริงเป็นตามสภาพนี้ให้ฝึกทำให้มีความชำนาญ ทำให้มันละเอียดแล้วละเอียดอีกเหมือนช่างตาวที่เขาเป่าแล้วเป่าเล่าเป่าจนได้ที่เราตั้งสติของเร า, เาไว้มีภัสสะใดๆให้เห็นอยู่ตามที่เป็นจริงทำความชำนาญทำความละเอียดที่ละเอียดแล้วก็ยังละเอียดอีกที่ดีแล้วมันก็ยังมีดีขึ้นมาอีก ที่ลึกล้ำแรวมันก็ยังมีที่ลึกล้าลงไปอีกคนที่เขาสามารถทำสมาธิได้เนี่ยมันยิ่งอยากจะทำให้มีความชำนาญทั้งเข้าทั้งออกทั้งดำรงอยู่ทั้งจะอยู่ในอริบทใดๆจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนอยู่ในอริบทใดเนี่ยยิ่งจะทำให้มีความชำนาญ เธอต้องลายเป็นผูท้ที่ทำความชำนาญทำจิตนี้ให้เป็นบริกรรมพัฒนาจิตของเราให้มีดวงตาเป็นธรรมะเกิดขึ้นเหมือนช่างทองที่เขากำจัดมูลทินของทองด้วยการทำซ้ำทำยำ้าเราจะกำจัดเราจะกำจัดมูลทินของจิต หรือเจ้าวิชาอไปได้ให้เราเป็นผู้ที่ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีพระพุทธเจ้าท่านเตือนเอาไว้ตอนก่อนการปรินิพพานเป็นคําสุดท้ายที่พ่อบอกสอนเอาไว้ว่าให้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทให้เป็นผู้ที่รักษาสติตัวยท่านเองทําสารณะของตัวเองไว้แล้ว เราเป็นผู้ที่มีศีลมีสติเป็นอย่างดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิดเธอผู้ใดในธรรมะวันไหนนี้เป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจะทำชาติสงสารทำที่สุดแห่งถูกได้เธอปฏิบัติอยู่อย่างต่อเหนึ่งต่อไปด้วยอิริยาบถเดินหรืออิริยาบถนั่งได้